บทภาชณีปาจิตตี524ิภิกษุทำเตียงหรือตังที่ตนทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอบัติปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำเตียงหรือตังที่ตนทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอบัติปาจิตตีภิกษุทำเตียงหรือตังที่ผู้อื่นทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอบัตปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำเตียงหรือตัง ที่ผู้อื่นทำครั้งไว้ต่อจนสำเร็จต้องอบัตปาจิตตีทุกกฎภิกษุทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอบัตทุกกฎภิกษุได้เตียงหรือต่างที่บุญทำเสร็จแล้วมาใช้ส้อยต้องอบัตทุกกฎ